วิธีติดต่อกับวิญญาณและลางสังหรณ์เกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้าหรือในโลกของโอปปติกาซึ่งผู้ที่ตอบปัญหาเหล่านี้ก็คือเทพเจ้าหรือโอปปติกะที่อยู่ในภูมิสูงหรือสวรรค์และคําว่าแววเสียงสวรรค์นานหมายถึงการได้ยินเสียงจากโอปปติกะผู้ที่อยู่ในสวรรค์ เป็นการได้ยินโดยวิธีติดต่อทางสมาธิเป็นหลักและอาจา ร, รย์พรได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของคำนำตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าหวังว่านักสือเล่มนี้คงจะให้ความสว่างได้อย่างมากทีเดียวสำหรับปัญหาที่คนส่วนมากสงสยัยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกหน้าคือในโลกของโอปะปะติกะโดยปกติ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 หรือในโลกของโอปปติกะนั้นจึงควรจะอ่านหนังสือสู่แสงสว่างผพียรและเทวดามีจริงวิญญาณคืออะไรและเรื่องโลกทิพประกอบด้วยพรรัตนาสุวรรณ10ธันวาคม2516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 ข้าพเจ้าได้เก็บใจความมาเขียนไม่ชะลอกข้อความมาทั้งหมดพิธีติดต่อเราทำกันในแบบง่ายๆไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นก่อนจะถึงวันและเวลาที่จะทำการบันทึกข้าพเจ้าจะนัดกับโอปปะปติกะที่จะตอบปัญหาเสียก่อนพร้อมทั้งบอกปัญหาที่จใจท่านตอบว่ามีอะไรบ้าง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 และปัญหาที่จะทําให้คนเรามีศีลธรรมดีขึ้นเท่านั้นอันหนึ่งข้าพเจ้าขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าโอปปาติกะที่จะเป็นผู้ตอบปัญหานี้ท่านไม่ใช่สัพพันอยู่ไม่ใช่ว่าท่านจะรู้อะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นการตั้งปัญหาถามเราจะต้องรู้เสียก่อนว่าผู้ที่จะตอบเรานั้น เมื่อสมัยที่ท่านยังอยู่ในโลกมนุษย์ท่านมีความรู้ความสามารถเพียงไหนและไปอยู่ในโลกของโอปปติกะนานแล้วเท่าไรมีความถนัดในทางไหนบ้างคนโดยมากมักจะเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปติกะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทางนั้นและสามารถที่จะรอบรู้อะไรได้สารพัดรู้โดยไม่ผิด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 ทำและวินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราสืบไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราแววเสียงสวรรค์ที่ได้ถ่าทอดลงในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ได้ทำการบันทึกไว้เมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์สองพเวลาย0 0สบศนยยอหายในห้องที่ทำการบันทึก ได้มีบุคคลอยู่ในที่นี้ด้วยหลายคนเช่นอาจารย์สิริพุทธสุขคุณกิติชาติพัฒนาประภพาพัน์คุณสวัสด์อมรสิทธิ์เป็นต้นสำหรับโอปปตฏิกะซึ่งเป็นผู้ตอบปัญหาครั้งนี้คือพ่อฤษีสรายากัสซึ่งเป็นโอปปตฏิกะองค์แรกที่ข้าพเจ้าติดต่อได้เมื่อประมาณหกปีร่วงมาแล้ว สำหรับพ่อฤาษีนี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ท่านเป็นชาวอินเดียได้ไปบำเพ็ญตบะอยู่ตามแถบภูเขาฮิมาลายัยและท่านได้มรณภาพมาเกิดเป็นโอเปอติกาเป็นเวลาประมาณส0 0รอปีเศษล่วงมาแล้วคำถามผู้ที่ตายในสงครามจะไปนรกหรือไปสวรรค์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 โดยปกติจะมีพวกโอเปปติกะมาคอยรับอยู่มากมายเพราะเมื่อสงครามเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นานพวกโอเปปติกะจะรู้ล่วงหน้าก่อนที่สงครามจะเกิดเสะโดยซ้ำไปและเขาก็รู้ว่าจะต้องมีคนตายมากมายในสงครามเพราะฉะนั้นพวกโอเปปติกะที่มีหน้าที่มาคอยรับจะมารอคอยอยู่ก่อน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 หรือมีหน้าที่โดยตรงที่จะมาคอยรับจะเป็นผู้พาไปส่วนทหารที่จิตใจต่ำมีแต่ความโหดเหี้ยมเห็นแก่ตัวบุคคลประเภทนี้เมื่อตายแล้วจะมีผู้มารับไปนรกทันทีแต่สาหรับผู้ที่ยังไม่มีใครมารับนั้นเป็นพวกที่ไม่บาปมากพอที่จะตกนรก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 ก็จะทำหน้าที่ชักจูงให้เข้าไปสวรรค์หรือว่าลงนรกหรือจะให้ไปอยู่ในภูมิไหนอันนี้บอกยากจนกว่าคนคนนั้นจะถึงภาวะอ น, นันต์ส ก, ก่อนทีงจะบอกได้ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรเท่าที่พ่อฤาษีตอบมาก็มีเพียงแค่นี้แต่ข้าพเจ้าเกรงว่า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 คนทำบาปไม่ใช่จะตกหรอรกเสมอไปคนทำบุญก็ไม่ใช่จะขึ้นสวรรค์เสมอไปดูก่อนอานน์บุคคลสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเหลวไหล มากด้วยความโลภมีจิตยพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นเมื่อกายแตกทําลายตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกสองแต่บุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และอื่นๆเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อกายแตกทําลายตายไปแล้ว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 เมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 4. แต่บุคคลบางคนในโลกนี้เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และอื่นๆเป็นสัมมาชิติบุคคลนั้นเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดูก่อน อ, อนน ในบุคคลเหล่านี้สำหรับบุคคลที่ฆ่าสัตว์และอื่นๆเป็นวิชฉาทิฏฐิเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนารกนั้นก็เพราะเขาได้กระทำบาปกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาในครั้งก่อนหรือต่อมาในภายหลัง เขาได้กระทำบาปกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาหรือในเวลาจะตายเขาก็ยังยึดมั่นในวิชาทิฏฐิอย่างแน่นแฟนเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมในปัจจุบันชาตินี้หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อต่ อ, ตอไปอีกดูก่อนอานนสำหรับบุคคลที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเป็นวิฉาทิฏฐิ เมื่อกายแตกทําลายตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เพราะเมื่อครั้งก่อนคือในชาติก่อนหรือในชาตินี้เองแตหมายถึงครั้งก่อนที่เขาจะทําชั่วเขาได้กระทํากุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาหรือต่อมาภายหลังเขาก็ได้กระทํากุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา หรือในเวลาจะตายเขาเยึดมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิอย่างแน่นแฟนเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมในปัจจุบันชาตินี้หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อต่อไปอีกดูก่อนอานนท์สำหรับบุคคลที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อกายแตกทําลายตายไปแล้ว เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เพราะในครั้งก่อนเขาได้กระทํากุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาหรือต่อมาภายหลังเขาได้กระทํำกุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาหรือเวลาจะตายเป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิอย่างแน่นแฟนเขาย่อมเส ว, วัสดบากของกรรมในปัจจุบันชาตินี้ หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อต่อไปอีกดูก่อนอานน์สําหรับบุคคลที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อกายแตกทําลายตายไปแล้วบุคคลนั้นเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตตโรกก็เพราะในครั้งก่อนเขาได้กระทําบาปกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา หรือต่อมาในภายหลังเขาได้กระทำบาปกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาหรือในเวลาจะตายเขายึดมั่นอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอย่างแน่นแฟนเพราะบาปกรรมอันนั้นเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วเขาจึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกเขายอมจะเสวยวิบาทของกรรมนั้น ในปัจจุบั น, นชาตินี้หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อต่อไปอีก ผีหลอกคืออะไรมันทึกอันนี้สืบเนื่องมาจากฉบับที่แล้วซึ่งยังถ่ายทอดลงไม่หมดฉะนั้นจึงได้นำมาลงต่อไว้อีกซึ่งในคราวเดียวกันนี้อาจารย์สิริรรพุทธสุขได้ถามว่าเหตุไร<อ> right, คนบางคนจึงถูกผีหลอกแต่บางคนหรือส่วนมากไม่เคยถูกผีหลอกเลยผีจะหลอกคนได้ มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างพ่อหรือศรีสรายากัสได้ตอบว่าคนที่จะถูกผีหลอกจะต้องเป็นคนที่มีตาเป็นสือ่อหรือมีประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสือ่อโดยปกติที่เราเรียกกันว่าผีหลอกนั้นก็แยกออกได้เป็นหลายประเภทคือหนึ่งพวกโอปปาติกะที่มีจิตใจต่ำ ตั้งใจจะหลอกจริงๆเพื่อให้เกิดความกลัวหรือให้เกิดความตกใจซึ่งบางทีก็ทาไปด้วยเจตนาร้ายเพื่อต้องการจะแกล้งให้เจ็บป่วยหรือให้ตายพวกโอปปาติกาประเภทนี้มีทั่วไปบางทีก็อยู่ในที่แห่งเดียวกับที่มนุษย์อยู่พวกนี้พบใครที่เขาอยากจะรอหรืออยากจะแกล้งเป็นต้องทำเสมอ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 แต่เพราะเหตุที่ตาของคนนั้นเป็นสื่อและในขณะที่เห็นนั้นจิตก็อยู่ในภาวะที่จะรับได้จึงได้เห็นขึ้นมาเองโดยที่โอปปติกะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เห็นและคนที่เห็นก็ไม่ตั้งใจว่าจะดูมาก่อนแต่ว่าเป็นการประจวบเหมาะกันพอดีช่วยเหตุดังที่กล่าวมานี้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 ทั้งทงที่โอปปปฏิกะที่เห็นนั้นบางคนก็เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรืออาจจะเป็นโอปปปฏิกะชั้นสูงคือโอปปปฏิกะที่เป็นชั้นเทวดาหรือชั้นขุมก็ได้แต่เนื่องจากโดยกฎธรรมดาโอปปปฏิกะทุกชั้นไม่ว่าจะอยู่ในภูมิไหนถ้ามาปรากฏตัวอยู่ในโลกมนุษย์รูปร่างก็จะเหมือนเดิม คือเหมือนเมื่อตอนที่เขายังเป็นคนอยู่ถ้าตายในตอนที่มีอายุเท่าใดรูปร่างอย่างไรรูปอันนั้นก็จะปรากฏได้เห็นในลักษณะเช่นนั้นเสมอฉะนั้นเมื่อพูดการถึงความเป็นจริงแล้วบุคคลที่เห็นโอปะปะติกะในลักษณะเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นคนมีบุญเพราะแสดงให้เห็นว่า คนที่มีตาเป็นสื่อหรือมีประสาทส่วนใดเป็นสื่อนั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นสมาธิดีมาตั้งแต่ชาติก่อนฉะนั้นความจริงจริงไม่ควรจะกลัวถ้าโอปปาฏิกาที่เห็นในลักษณะนี้ไม่ให้โทษแต่อย่างใดเลยควรจะถือโอกาสที่ได้เห็นแม้เพียงครั้งเดียวศึกษาให้รู้ถึงความเป็นจริง เกี่ยวกับชีวิตในโลกของโอปะปะติกะอันหนึ่งการเห็นโอปะปะติกะในลักษณะเช่นนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเรียกว่าถูกผีหลอกและอีกอย่างหนึ่งการที่บุคคลที่เห็นโอปะปะติกะในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นเพราะโอปะปะติกะที่เขาเห็นนั้นเขาตั้งใจที่จะให้คนนั้นเห็นเขาก็มี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 เพราะฉะนั้นใครก็ตามในเมื่อมีตัวเป็นสื่อสามารถที่จะติดต่อกับโอปปตฏิกะได้คนเหล่านี้จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากโอปปปติกะทั้งหลายแต่ในกรณีอย่างนี้ย่อมขึ้นอยู่กับฐานะในทางจิตใจของมนุษย์ผู้นั้นด้วยกล่าวคือถ้าเป็นคนที่มีเพื่อนจิตใจไม่สูง โอปปปฏิกะชั้นสูงก็ไม่อยากจะมาติดต่อด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจสูงโอปปติกะชั้นสูงก็ยินดีที่จะมาติดต่ออันหนึง่งข้อรู้สีได้ที่บายเพิ่มเติมว่าพวกโอปปติกะชั้นต่ำซึ่งหมายถึงพวกที่มีจิตใจต่ำซึ่งเขาตั้งใจหลอกคนเพื่อความสนุกหรือเพื่อแกล้งให้เจ็บป่วยนั้น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 มีมนุษยธรรมอยู่บ้างพวกนี้เวลาจะหลอกใครเขาอาจจะบังคับให้ร่างกายของเขาปรากฏออกมาตามความต้องการได้และในบางครั้งก็อาจแปลงตัวให้มีร่างกายสวยงามแต่ถึงกระ น, นั้นก็ไม่อาจจะอยู่ในรูปนั้นได้นานๆเนื่องจากพื้นจิตใจส่วนใหญ่ของเขา ไม่อยู่ในขั้นที่จะเป็นเทวดาได้เพราะฉะนั้นรูปร่างที่สวยงามนั้นจึงปรากฏอยู่ได้ไม่นานพวกนี้ส่วนมากก็มีรูปร่างอยู่ในลักษณะเดิมคือเหมือนมาตอนที่ก่อนจะตายจากโลกมนุษย์อันหนึ่งพวกที่สา ม, มารถจะหลอกคนได้นี้ส่วนมากเป็นพวกที่จัดอยู่ในประเภทอบายภูมิ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 แต่ในเรื่องเวลานี้ท่านบอกว่าอย่าได้ถือเอเวลาในโลกมนุษย์เป็นมาตรฐานเพราะในโลกโอปปจิกะนั้นเราพูดว่าไม่นานก็จริงแต่มันอาจจะกินเวลาในโลกมนุษย์นับเป็นสิบสิบปีหรือนับเป็นร้อยร้อยปีก็ได้ย ม, มาบาลมีจริงหรือไม่ ตามความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเราเชื่อกันอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำบาปตายไปแล้วจะต้องไปพบกับยมบาลหรือบางทีลูกน้องของยมบาลก็มาคอยรับตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายพอตายลูกน้องของยมบาลก็จะพาตัวไปเมืองนรกทันทีและอีกอย่างหนึ่งเคยมีเรื่องเล่ากันในทรรนองว่า บางคนตายไปแล้วไปพบยมบาลได้เห็นสภาพในเมืองนรกแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองได้ไปเห็นมาจากความเชื่อถือที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและจากคำบอกเล่าของคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาจิตรกรจึงได้เขียนภาพไว้ให้เราแลเห็นว่ารูปร่างของยมบาลนั้นอ้วนใหญ่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 ข้าพเจ้าได้เอาเรื่องนี้ไปปรารถให้พ่อฤาษีสราญกาสฟังเพื่อต้องการจะทราบว่าเรื่องจริงๆเป็นอย่างไรกันแนะ่ท่านได้เล่าให้ฟังว่ายมมาบาลมีอยู่สองอย่างคืออย่างหนึ่งได้แก่ย ม, มาบาลที่เกิดจากจินตนาการหรือยมมาบาลที่เป็นมโนภาพของคนที่เห็นซึ่งไม่มีตัวจริงและอีกอย่างหนึ่ง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 โดยเฉพาะในเวลาที่อุณหภูมิในร่างกายสูงถึงขนาดเพ้่ครั่งหรือเกือบจะเพล่ครั่งนานแม้ในกรณีอย่างนี้ก็ย่อมจะแตกต่างกันออกไปตามความยึดถือที่ฝังอยู่ในสันดานท่านให้ข้อสังเกตว่าย ม, มาบาลที่เกิดจากจินตนาการนั้นคนที่เขียนภาพออกมาไม่ได้เห็นจริงๆ เพียงแต่นึกวาดภาพในใจและก็เห็นเป็นภาพลางๆอยู่ในความรู้สึกส่วนยมาบาลที่เป็นมโนภาพนั้นบางคนที่เห็นอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนเสมือนหนึ่งเห็นด้วยตาแล้วก็ยึดถือว่าเป็นของจริงยงมาบาลทั้งสองประเภทนี้ถือเอาเป็นสาระไม่ได้และโดยเฉพาะ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 ในนรกก็มีในสวรรค์ก็มีแต่ในสวรรค์ไม่นิยมเรียกว่าเป็นโยมบาลเรียกเป็นชื่ออื่นและในนรกซึ่งแยกประเภทย่อยออกไปอีกหลายภูมิหรือหลายขุมนั้นแต่ละภูมิหรือแต่ละขุมก็มีโยมบาลประจําภูมินั้นๆในสวรรค์ก็เหมือนกันการที่บุคคลบางคนเมื่อตายลงแล้ว จะต้องมีโอปปปฏิกะซึ่งเป็นลูกน้องของยมบาลมาคอยรับนั้นความจริงมีอยู่ว่าคนเราเมื่อยังมีชีวิตจิตใจอยู่ในภูมิไหนเมื่อตายลงพวกโอปปปฏิกะซึ่งมีระดับจิตใจอย่างเดียวกับเราเขาก็จะรู้โดยสัญชาตาิญาณโดยเฉพาะคือโอปปปฏิกะที่เป็นหัวหน้าในภูมินั้นครั้นแล้ว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 ให้ไปพบกับโอปปฏติกะที่เป็นหัวหน้าในภูมินั้นๆและแล้วเขาก็จะได้รับความทรมานหรือได้รับความยุ่งยากลาบากต่างๆเป็นไปตามสภาพของภูมินั้นคล้ายกับว่าในเมื่อเรามีนิสัยเป็นโจรจากนิสัยอันนี้ก็จะผลักดันให้เราไปอยู่กับพวกโจรครั้นแล้ว ก็จะได้รับความยุ่งยากอะไรต่างๆเป็นไปตามสภาพที่โจรประเภทนั้นจะพึงได้รับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นคนที่มีนิสัยสันดานชอบเอารัดเอาเปรียบชอบเบียดเบียนคนอื่นมีนิสัยเห็นแก่ตัวเป็นอันธพาลเมื่อตายไปแล้วเราก็จะไปอยู่ในภูมิของพวกโอปปติกะ ชนิดที่มีนิสัยสันดานอย่างเดียวกับเราและในเมื่อโอปปติกาที่อยู่ในภูมิ น, นั้นล้วนแต่มีนิสัยอันตรพานทั้งสิน้นเราซึ่งมีนิสัยอย่างเดียวกับเขาก็จะต้รับความลําบากความทุกข์ทรมานจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันและในทํานองเดียวกันถ้าหากในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่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 ยมาบาลจะต้องจดประวัติของคนที่ทำบาปเอาไว้ด้วยเรื่องนี้จริงหรือเปล่าท่านบอกว่าความจริงคนที่เป็นหัวหน้าของภูมิ น, นั้นๆส่วนมากสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนที่เข้ามาสู่ภูมิของตัวเองได้ทำกรรมอะไรมาบ้างความรู้อย่างนี้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 เรื่องกรรมที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้อันเรากระทำให้แจ้งแล้วรู้ทั่วถึงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตัวเองคือหนึ่งกรรมดำมีวิบากดําสองกรรมขาวมีวิบากขาวสากรรมไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวและย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเช่นไรเป็นกรรมดำมีวิบากดํดำดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายสังขารวาจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนเมื่อเข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียน เ, เช่นนั้น เขาย่อมกระทบกับผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งการเบียดเบียนเมื่อเข้ากระทบกับผัสสะที่มีการเบียดเบียนย่อมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่ากรรมดํามีวิบากดําดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนเมื่อเขาประกอบกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนก็ย่อมเข้าถึงโลกที่ม่มีการเบียดเบียน ครั้นเข้าไปถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนเขาย่อมกระทบกับผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนครั้นเขากระทบกับผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนเขาย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นเทพเจ้าเหล่าสุภากินอหารดูก่อนพิสูจทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่ากรรำขาวมีมิวาขาว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรเรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบาก ท, ทั้งดำทั้งขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมประกอบกายาสังขารวัจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างขั้นประกอบกายาสังขาร วัจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างเขาย่อมเข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างขั้นเข้าไปถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างเขาย่อมกระทบกับผัสสะอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้าง เขาย่อมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยสุขและทุกข์ดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกวินิบาตบางพวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 การติดต่อกับโอปปติกะมีอยู่สามวิธีคือหนึ่งเข้าทรงสองเชิญลงท้วยสามเข้าสมาธิไปติดต่อการเข้าทรงถ้าหากว่าการเข้าทรงสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เราจะได้คำพูดที่เป็นสํานวนทั้งหมดของโอปปติกะที่มาเข้าทรงวิธีนี้คนส่วนมากพอใจ แต่อย่างไรก็ตามการเข้าทรงแม้จะสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากคนทรงยังถอดกายทิพย์ไม่ได้คือไม่ได้มโนมยิยธิการเข้าทรงจะทำให้เหนื่อยมากและวิธีนี้น้อยคนที่จะได้เห็นซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงการเข้าทรงที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งจะเข้าทรงอยู่นานไม่ได้ แต่การเข้าส่งทั่วไปที่ผู้อ่านบางคนอาจจะเคยเห็นซึ่งสามารถที่จะเข้าส่งได้ทั้งวันหรือทั้งคืนโดยที่คนส่งไม่เหนื่อยและบางทีก็มีอภิิหารหรือมีข้อเท็จจริงที่ทำให้เชื่อถือได้สำหรับในกรณีอย่างนี้คำพูดที่แสดงออกมาไม่ใช่ออกมาจากโอปปติกะทั้งหมด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 จะออกมาจากคนทรงทั้งหมดก็ตามก็ถือว่าเป็นการเข้าทรงที่ใช้ได้ทางนี้ก็เพราะมีเหตุผลอยู่ว่าคนทรงประเภทนี้จะต้องเป็นคนที่มีบารมีสมมติว่าสามารถบอกยาได้ต่างๆและคนไข้ที่มาขอเอาไปก็ใช้ได้ผลด้วยสำหรับในกรณีอย่างนี้หมายความว่า คนทรงคนนั้นเมื่อในชาติก่อนเคยเป็นหมอมาแล้วและเป็นหมอที่เก่งพิบาวข้อความเป็นหมอมีอยู่ในสัญดานแต่ตัวเขาตัวเองระลึกขึ้นมาไม่ได้ในเมื่อมีโอปปติกะมาเพ่งซึ่งทำให้ผู้นั้นได้รับกระแสจิตจากโอปปติกะในขนาดที่ทำให้ลืมตัว หรือหมดความรู้สึกไปบ้างเป็นบางครั้งเมื่อผู้ น, นั้นอยู่ในลักษณะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเหมือนกับคนที่กำลังจะหลับด้วยอำนาจกระแสจิตของโอปปะปติกะที่มาเข้าเพ่งอันนี้แหละจะทำให้คนทรงดึงเอาความรู้เก่าๆออกมาใช้ได้ด้วยเหตุนี้เองคนทรงบางคน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 กับความรู้สึกนึกคิดของโอปปัตติกะการเข้าทรงที่แพร่หลายชนิดที่มีผลทําให้คนเชื่อถือได้มากบ้างน้อยบ้างและคนทรงมีเจตนาสุจริตนั้นยังอยู่ในหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งนั้นสําหรับตัวข้าพเจ้าเองที่ถ่ายทอดความคิดจากโอปปัตติกะได้นั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้ แต่ข้าพเจ้ามีพิเศษอยู่อย่างหนึง่งกล่าวคือเมื่อข้าพเจ้าต้องการจะทราบเรื่องอะไรข้าพเจ้าก็จะให้คุณศรีเพนเข้าสมาธิไปซักถามท่านเสกอนจนกระทั่งข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องนั้นดีเมื่อถึงเวลาเขียนข้าพเจ้าก็เข้าสมาธิทำใจให้สงบนึกถึงกับเรื่องที่จะเขียนออกมาและในตอนนี้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 เป็นนักศึกษาที่ส่งเร็จมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคนเขียนรูปเก่งมากและเป็นคนที่มีสมาธิดีพอสมควรโดยปกติคุณวัชรีเวลาเขียนรูปจิตใจจะจดจ่ออยู่ในเรื่องการเขียนจนกระทั่งแม้ยุงจะกัดอย่างไรบางครั้งจะไม่รู้สึกเลยและบางทีก็หมกตัวอยู่ในห้อง เขียนรูปทั้งวันอาหารไม่รับประทานครั้งหนึ่งเขาเกิดสงสัยตัวเขาเองว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับโอปปปิกะจึงมาให้คุณสีเพนตรวจดูก็ปรากฏว่าสามีของเขาในชาติก่อนซึ่งขณะนี้ยังเป็นโอปปปฏิกะอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเสมอในเวลาคุณวชรีเขียนรูป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 สามีในชาติก่อนซึ่งมีชื่อว่ากฤษณะามาบอกคุณสีเพนให้ช่วยบอกคุณวชรีเขียนรูปของเขาคุณวชรีบอกว่าเขาจะเขียนได้อย่างไรเพราะเขาไม่เคยเห็นหน้าตาของกฤษณะเลยเรื่องราวในชาติก่อนก็ลืมไปหมดแล้วกฤษณะบอกว่าไม่เป็นไรเวลาจะเขียนรูปขอให้นึกถึงเขา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 บางทีก็เกิดจากการเพ่งของพวกโอปปติกะลางสังหรณ์ต่างๆซึ่งคนโบราณมักจะถือเอาเป็นข้อสังเกตที่จะบอกให้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เรียกว่าลางนี้ส่วนมากก็มากจะเกิดจากอำนาจบรนดาลของพวกโอปปจิกะหรือไม่ก็เกิดจากอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนแต่ถึงกระ น, นั้น ก็มักจะเกี่ยวข้องกับโอปปปฏิกะด้วยซึ่งจะทำให้วิบาทที่มีอยู่ในจิตไร้าสานึกแสดงนิมิตเป็นลางออกมาจากหลักวิชาสั้นๆเทที่บายมานี้หวังว่าผู้อ่านที่สงสัยหรือที่กล่าวหาว่าข้าพระเจ้าโมเมเอาเองนั้นเมื่อได้อ่านคำชี้แจงนี้แล้ว ก็คงจะหายความคล่องใจบ้างไม่มากก็น้อยอันหนึ่งหลักของการเชิญโอปปฏติกะลมถ้วยซึ่งเรียกกันว่าผีถ้วยแก้วนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมานี้เหมือนกันแต่มีรายละเอียดต่างกันบ้างนิดหน่อยเรื่องนี้ข้าพเจ้า เ, เคยเขียนไว้แล้วในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนเมษายน2508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 โลบมากเห็นแก่ตัวอะไรทำนองนี้ไม่น่าจะถือได้ว่าคนเหล่านี้ร่ำรวยก็เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนใจบุญได้เคยบริจาคทานมามากอันที่จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เคยเขียนเอาไว้แล้วเหมือนกันในหัวข้อาการตอบปัญหาในหนังสือวิญญาณปีที่สองฉบับที่เจ็ดถึงแปด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 ก็คอยแต่จะนึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสมอเลยทําให้เขาต้องไปอยู่ในโลกที่มืดทั้งๆ ท, ที่ในโลกนี้คนดีก็มีอยู่มากมายและสิ่งแวดล้อมที่จะให้ความสุขก็หาได้ไม่ยากถ้าหากเป็นคนที่รู้จักมองโลกในแงด่ดีอะไรคือต้นเหตุที่ทําให้บุคคลประเภทนี้ต้องอยู่ในมุมที่มืดปัญหาข้อนี้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 ความดีในตัวเขาก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันหนึง่งท่านได้ให้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่าอำนาจแห่งความดึงดูดของวิบากที่รุนแรงนั้นมีที่พลมากคนบางคนซึ่งเคยเป็นคู่สร้างกันมาได้มีความรักต่อกันลึกซึ้งในชาติก่อนๆบุคคลประเภทนี้แม้จะเกิดการคนละมุมโลก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 เมื่อตายแล้ววิญญาณจะไปเกิดในที่ไหนจะไปอยู่สุขคติหรือทุกขคติจะไปอยู่ในภูมิไหนภพไหนก็เป็นไปตามกฏแห่งความดึงดูดของวิบากในเรื่องนี้สำหรับผู้ที่ได้ทิพยะจากสุขจะมองเห็นความจริงได้อย่างแจ่มแจ้งมากมันคล้ายคล้ากับเรามองเห็นคนที่เมา เมื่อถึงเวลาดื่มเราก็รู้ทันทีว่าเมื่อเขาออกจากบ้านของเขาแล้วจะไปไหนที่เรารู้ก็พระเคยเห็นเขาทำอย่างนั้นบ่อยๆในทํานองเดียวกันผู้ที่ได้ทิพยจักสุซึ่งสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนนั้นคนนี้ตายแล้วจะไปเกิดอยู่ที่ไหน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 ก็ต้องสละราชสมบัติออกทรงพันลวดมีชีวิตเหมือนกับคนขอทานทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เกิดจากวิบากของกรรมชั่วแต่หาเกิดจากวิบากของกรรมดีที่สูงส่งยอร์ชวอร์ชิงตันคาร์เวอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวนิโกรผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งของโลก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 คนที่ยากจนสิอีกที่มีจิตใจสูงกลับมีมากกว่าจากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ร่ำรวยกันทุกวันนีมักจะต้องโกงหรือมีความฉลาดในการเอาเปรียบคนอื่นอย่างมากจากข้อเท็จจริงต่างๆดังที่กล่าวมานี้แหละจึงทำให้เกิดความสับสน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 คงจะให้ความกระจ่างในเรื่องความสับสนในเรื่องนี้ได้ดีสายใยระหว่างกายเนื้อกับกายชิพคืออะไรในหนังสือโลกทิพย์ก็ดีในหนังสือปรัชญายโยคะของท่านรามาจักก็ดีและในหนังสืออื่นๆอีกหลายเรื่องในกรณีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายชิพทุกเรื่องจะมีการกล่าวถึงสายใยแห่งชีวิต ซึ่งเรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่าแมกเนติกคอร์ดหรือไลฟ์ไลน์เป็นการน่าประหลาดอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือตามเนื้อเรื่องในหนังสือเรื่องโลกทิพนั้นทั้งโอปปฏิกะที่มาบอกและผู้ที่ทำการบันทึกต่างๆก็เป็นคนนับถือคริสตศาสนาส่วนท่านรามมาจากผู้เขียนปรัชญาโยคะ เป็นบุคคลที่นับถือหลักปรัชญาของศาสนาพราหมณ์ทั้งสองคนนี้เกิดอยู่คนละแห่งแต่ข้อความที่กล่าวไว้ในหนังสือตรงกันและหนังสืออื่นๆ อ, อีกที่เขียนขึ้นจากคำบอกเล่าของพวกโอปะปะติกาที่มาติดต่อโดยวิธีการเข้าทรงเช่นหนังสือเอสเทลโรเวอร์ฟาติเยสอเมเดียม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 ที่คนเรานอนหลับแล้วมีกายทิพต์ออกมาเหมือนกับในรายที่บางคนได้สมาธิขั้นสูงแล้วถอดกายทิพต์ออกมาก็ยองจะมีสายใยเชื่อมโยงไว้เสมอท่านบอกว่าสมมติว่าจะมีใครนั่งสมาธิแล้วถอดกายทิพต์หรือนอนหลับแล้วมีกายทิพต์ออกมาในขณะนั้นถ้าหากว่า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 แล้วก็จะกลับเข้าสู่กายเนื้อทันเวลาเสมอก่อนที่กายเนื้อจะถึงแก่ความตายความรวดเร็วในการกลับคืนเข้าสู่ร่างกายเดิมนั้นเร็วกว่าอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้ว่าบางคนจะถูกยิงด้วยปืนถูกที่สำคัญและตายทันทีแม้กระนั้นกายชิปก็ยังกลับเข้ามาทัน ก่อนที่ลูกปืนจะถูกกลายเนื้อเสอีกท่านบอกว่าอันนี้เป็นกฎธรรมดาและถ้าหากเข้าใจกฎอันนี้ดีก็จะเข้าใจคำว่าสายใหญ่แห่งชีวิตได้โดยจำแจ้งในทางตะวันตกหรือแม้ในทางปรัชญาโยค่าก็ตามมักจะมีคำพูดในธรรมนองเปรียบเทียบซึ่งฟังดูอย่างเผิอเผิน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 ถึงเวลาตายแล้วคนเราก็ต้องตายซึ่งคําว่าถึงเวลาในที่นี้หมายความว่ามิบากของกรรมที่สร้างชีวิตนี้ขึ้นมานานหมดอํานาจหรือหมดพลังที่จะรักษาชีวิตนั้นได้อีกต่อไปท่านแนะนําให้ถึงหลักอริธรรมที่กล่าวว่าสาเหตุแห่งความตายมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสิ้นอายุ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 จะให้กำเนิดแก่เปลวเทียนเล่มอื่นอีกสกี่พันเล่มก็ได้โดยที่จะไม่ทำให้เปลวไฟของเทียนเล่มแรกลดน้อยลงไปแต่ประการใดท่านขอให้นึกถึงเรื่องท่านจุลบันโถกที่สามารถนรมิตกายเนื้อขึ้นมาได้ตั้งพันกายซึ่งกายที่นรมิตขึ้นมานานถึงแม้จะเป็นกายชิปแต่ก็มีลักษณะเหมือนกับกายเนื้อ และทำงานเหมือนกับกายเนื้อได้หลายอย่างหรือไม่เช่น น, นั้นก็ขอให้นึกถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตกายทิพย์ให้ไปปรากฏอยู่ต่อหน้าพระวกกะลิทรงห้ามไม่ให้พระวกกะลิโดดเหวตัวอย่างในทรรนองเหล่านี้สำหรับคนที่เข้าใจทางหลักวิชาดีแล้วก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่า ทำไมบางคนในเวลานอนหลับจึงได้มีกายชิพเกิดขึ้นมาได้และทำไมทุกคนเมื่อตายจะต้องมีกายชิพเกิดขึ้นเสมอซึ่งบางทีกายชิพอาจจะเกิดก่อนเป็นเวลาตั้งหลายวันก่อนที่กายเนื้อจะสิ้นชีวิตลงท่านบอกว่าขอให้พยายามศึกษาคำว่า วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปหรือวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยเฉพาะจะต้องพยายามมองให้เห็นว่าสำหรับวิญญาณที่ยังมีตันหาอุปาทานคือยังมีความรักความหวงแหนในชีวิตต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปซึ่งความต้องการที่ว่านี้ฝังอยู่ในสันดานอย่างลึกซึ้ง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 ท่านบอกว่าสายใยแห่งชีวิตที่เปรียกเหมือนเส้นได้นั้นความจริงก็คือตัวตันหานี่เองเพราะตราบใดที่ตัวตันหายังมีอยู่อุปาทานก็ต้องมีและวิบากของกรรมคือสมรรถภาพต่างๆหรือปณิสัยใจคอต่างๆที่มีอยู่ในสันดานนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันตลอดเวลา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 เกิดได้อย่างรวดเร็วแต่พอจะให้บ้านเกิดเป็นวัตถุขึ้นมาจริงๆก็ต้องใช้เวลาเพราะอย่างน้อยก็ต้องสแสวงหาวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือไว้ก่อนอันหนึ่งเราเข้าใจแล้วว่าโดยธรรมดาวิญญาณสามารถที่จะสร้างร่างกายได้เสมอแต่การสร้างนี้ จะสร้างได้ดีหรือไม่ดีจะคงทนถาวรหรือไม่ก็สุดแล้วแต่วิบากของกรรมซึ่งในเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ควรจะต้องจำให้แม่นว่ากายเนื้อที่สูบสร้างขึ้นด้วยความจงใจของจิตใต้สํงนึกมาตั้งแต่แรกนั้นตราบใดที่ร่างกายอันนั้นยังไม่ตายความผูกพันส่วนใหญ่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 ส่วนต้นไม้ที่จะเกิดในโลกของโอปปาปิกะนันโดยธรรมดาย่อมเกิดขึ้นมาจากความปรารถนาของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆหรือถ้าจะพูดให้ชัดก็คือขึ้นอยู่กับวิบากของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆซึ่งหมายความว่าโอปปาปิกะที่อยู่ในภูมินั้นๆเมื่อมีความปรารถนาอยากจะได้ต้นไม้ชนิดไหน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 ผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปติกะซึ่งสันดานที่ติดไปจากมนุษย์นั้นย่อมีความปรารถนาที่จะได้เห็นต้นไม้ต่างๆซึ่งความปรารถนาที่ว่านี้ฝังอยู่ในจิตไร้สมนึกแต่มันก็มีอิทธิพลพอที่จะบรรดาลให้เกิดต้นไม้ต่างๆขึ้นมาได้โดยที่โอปปติกะเหล่านั้นไม่รู้สึกตัวว่า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 ก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเท่าที่ท่านรู้จักที่สามารถจะตอบปัญหาได้ว่าต้นไม้ต้นแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโอปะปะติกะต้นแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแม่น้ําภูเขาที่เห็นอยู่ครั้งแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างขนาดท่านซึ่งก่นนับว่าเข้าใจเรื่องธรรมชาติในโลกนั้นพอสมควรแต่ถึงกระนาน ก็ตอบปัญหาดังที่กล่าวมานั้นไม่ได้ท่านรู้เท่าที่ตอบมานี้เท่านั้นท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าเฉพาะโอปปะปติกาที่เข้าใจเรื่องความเป็นไปของธรรมชาติในโลกเป็นอย่างดีนั้นจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้อย่างง่ายดายจากความคิดของตนเองเพียงแต่ตั้งใจอธิษฐาน สิ่งที่ต้องการก็จะเกิดขึ้นทันทีบุคคลในโลกของโอปปติกะที่กล่าวนี้ก็เทียบได้กับนักวิทยาศาสตร์ในโลกมนุษย์ที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้โดยเรียนแบบมาจากธรรมชาติแต่ก็ขอให้จำไว้ด้วยว่าบุคคลที่มีความสามารถอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมีมากส่วนมาก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 ข้าพเจ้ายัางได้กราบเรียนถามถึงเรื่องเชื้อโรคต่างๆอีกว่าพวกนี้เมื่อตายแล้ววิญญาณของมันก็จะไปเกิดเป็นเชื้อโรคอยู่ในโลกของโอปะปะิติกะอย่างเดียวกับที่เคยเป็นอยู่ในโลกมนุษย์หรือไม่ท่านก็ได้โกโรุณาตอบว่าพวกเชื้อโรคต่างๆหรือพวกสัตว์ชั้นต่างที่ยังไม่มีระบบประสาท พวกนี้ตายแล้วก็ไม่มีการปฏิสนธิเช่นเดียวกับต้นไม้เหมือนกันแต่พลังของวิญญาณที่สร้างเชื้อโรคต่างๆนั้นยังมีอยู่แต่มันก็จะไม่เกิดเป็นเชื้อโรคทันทีเมื่อมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าได้ซักท่านต่อไปอีกว่าในโลกของโอปปฏปติกะจะมีเชื้อโรคอยู่บ้างหรือไม่ท่านได้ตอบว่า ในบางภูมิโดยเฉพาะคือในภูมิต่ำนั้นมีแน่และมีมากด้วยตัวอย่างเช่นพวกโอปะปะจิกะที่อยู่ในภูมิต่ำนี้บางพวกอาหารที่เขากินมีแต่ของเน่าของเสียและพวกนี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอของเน่าของเสียก็หมายถึงมีเชื้อโรค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 กฎเกณฑ์ในโลกของโอปปะปิกะนั้นจะเหมือนกับในโลกของมนุษย์ทุกอย่างบางแง่เท่านาั้นที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดให้มากและอีกอย่างหนึ่งท่านได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของโอปปะิกะนั้นเกิดจากวิบาก ค, คือเกิดขึ้นจากสภาพของจิตไรสังนึกเช่นเดียวกับร่างกายมนุษย์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 ได้ต่สรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอธิเทวญาณทัศนะหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโอปปปฏิกะทั้งหมดหรือเมื่อผู้ใดหนึ่งหมายความว่าแม้พระองค์จะเป็นมนุษย์แต่ก็มีความรู้ในเรื่องของโอปปตฏิกะดียิ่งกว่าพวกโอปปปิกะชั้นสูงสุดเส่นเดีันไป ตามสัแ์แปลว่าการรู้การเห็นที่เป็นไปทับซึ่งเทวดาทั้งหลายซึ่งหมายถึงว่าการรู้การเห็นของพระองค์ในเรื่องโลกของโอปะปะติกาสูงกว่าเทวดาทุกประเภทการศึกษาให้รู้ถึงความเป็นไปในโลกของโอปะปะติกานี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า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 ก่อนที่จะไปเกิดเป็นพรหมเคยได้ฝึกสมาธิได้ถึงขั้นทุติยาชานพรหมพวกนี้มีรสมีออกจากตัวมากมีปีติเป็นอาหารและมีความสามารถที่จะท่องเที่ยวไปในจั ก, กรวาลต่างๆได้อย่างง่ายดายพรหมเหล่านี้เองซึ่งไม่ใช่คนเดียวได้มาพบโลกมนุษย์ซึ่งในสมัยนั้น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 ข้อความในพระสูตรนี้เป็นเรื่องที่จะเชื่อถือได้เพียงไรท่านบอกว่าเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนและท่านยังได้ทิบายอีกว่าอันที่จริงกายทิพย์ของพวกโอปะปะติกะก็คือกายเนื้อที่อยู่ในรูปพลังงานธรรมชาติในโลกของโอปปาติกะก็มีเหมือนกับในโลกมนุษย์เป็นแต่บางอย่างในโลกมนุษย์ยังไม่มี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 ชีวิตมนุษย์ก็มาจากชีวิตในโลกของโอปะปะติกะกายเนื้อก็มาจากกายทิพและกายเนื้อนั้นเมื่อตายแล้วก็จะไปอยู่ในสภาพกายชิพอีกซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหมดที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับวิบากของกรรมที่มีอยู่ในวิญญาณท่านบอกว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้ง ความเป็นห่วงตัวเองจะเหลือน้อยมากและพูดได้อย่างเต็มปากว่าคนที่รู้แจ้งในเรื่องนี้ก็คือคนที่เข้าถึงอมาตะธรรมในขั้นต้นส่วนการเข้าถึงอมาตะธรรมในขั้นสูงก็คือการบรรลุถึงนิพพานหรือพูดอีกในหนึ่งคือเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปว่าแม้กายชิพก็ไม่มีจริง เป็นอนัตตานิบาส ก, ก็ไม่มีจริงวิญญาณก็ไม่มีจริงเป็นอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขตธรรมทั้งสิ้นอันสังขตธรรมนั้นดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้คนที่เข้าถึงความจริงในขั้นนี้ซึ่งหมายถึงเข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งจนกระทั่งปล่อยวางในเรื่องตัวตนได้ทั้งหมด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 ที่มีอยู่ในความคิดของตัวท่านบอกว่าถ้ารู้สึกเรื่อมใสจับใจในวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณาจิตเมื่อถอนอัตตานุทิฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราหรือของของเราได้แล้วก็จะพ้นจากความตาย อยู่เหนือความตายได้ท่านบอกว่าคำสอนบทนี้จับใจท่านมากแต่ถึงกระ น, นั้นโดยสันดานหรือโดยวิบากของกิเลสที่มีอยู่ก็ทำให้ท่านรู้สึกว่ายัางละความยึดถือในตัวตนโดยเด็ดขาดไม่ได้แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องกายมนุษย์อย่างที่ท่านเคยมีมาแล้วมองเห็นได้ชัดเหลือเกินว่า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 พระพุทธเจ้าก่อนที่จะลากิเลสได้โดยเด็ดขาดพระองค์ได้ทรงเข้าใจอะไรมาก่อนพระองค์ระลึกชาติได้พรงได้ตาทิดรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโอปปจิกะทุกอย่างทุกแ ง, ทกง่ทุกมุมและเข้าใจกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดพระองค์ทรงมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นพื้นฐานมาก่อนจึงสามารถลากิเลสได้